นี่แหละอาตมาจึงรับรองได้รับรองได้เหมือนกับอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังเมื่อกี้นี่ว่ามันมีศาสดาหลายองค์เซนมานี่มนมาหรือบอกมาว่าอย่างกใดมารวมกันที่บ้านสวนยางนี่แหละเนี่ยมาแสดงของบริสุทธิ์อาตมาเอาชีวิตเตึงตระกันถ้าพวกเธอทั้งหลายทําอย่างนี้อาตมารับรองได้อ้าวตาราหนังสือเขาสอนเอาไว้ ธ ร, รมบดจารย์เปรย์ม น, นุษธรรมท่า น, นเอกผู้ที่จะเลิศสติปทานสให้ติดต่อกันเหมือนนกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอยากลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอณิสงส์สองประการนนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันพบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนั่นเขาพูดไว้ในตัวหนังสือว่าไปเกิดในลูก ป, ป่าสามีภพ ไม่ใช่ว่าเกิดในมือมนุษย์นี่นะแต่เกิดรูปปะส ญ, ญีผมมีอายุอยู่ห้าห้าพันปีพอดีดับขันที่นั้นตายเขาเนี่ยไปก็เลยไปนิพพานเลยไปนั้นแต่อัตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นอัตมาพูดนี่ถ้าจเจริญสติประฐานสี่แบกที่อัตมาบอกเนี่ยพลิกมือขึ้นค้ามือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังกำมือเยียดมือเอานิ้วมือดีบหรือสัมผัสมือกันอยู่อย่างนี้ ให้มีความรู้สึกไปไหนมาไหนทําเล่นๆไปทำเพื่อควมสนุกเนี่ยอย่างนี้ทํามือเดียวอย่าทำข้อมือสองมือสามมือทํามือขวามือซ้ายไม่ต้องทําทํามือซ้ายมือขวาไม่ต้องทําเราไม่ทําแล้วบบนี้เราพิษตากองให้รู้สึกเลือดใต้แลงขวาให้รู้สึกไม่ต้องทํามือก็ได้อันนี้หรือเราจะทํามือก็ได้เมื่อทํามือได้ไม้จะกำเนดอย่างนั้นอันนี้อาตมารับรองได้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่ ลำลาหรืออาตมาเลา่านิทานประลามปลาไม้ปลาเมื่อกี้นี่ว่าจะไม่หนีจากโยมเลยถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะไม่หนีเลยไม่หนีจากโลกนี้ไปนรับรองได้ว่าสามปีสามปีนะความทุกข์ไม่ต้องมีแล้วเราจะอยู่เหนือความทุกข์ได้จริงๆอย่างนานนะสามปีอย่างกลางปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน เอายังเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงฆ์ไม่ต้องพูดเลยถ้าอรหันต์ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดเลยเอาแต่ไม่มีทุกอย่างเดียวก็พออาตมาไม่มีทุกจริงๆรับรองว่าทุกไม่มีแล้วอาตมาจะเดินดินกินข้าวไปกับญาติกับโยนเนี่ยไม่ทุกแล้วเอาไม่ต้องเปลี่ยนพระลาภไม่ต้องเปลี่นอะไรไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปมีพานที่ไหนละนี่วิถพางแปลว่าความเย็นสวรรค์ก็หมายถึงว่าไม่เดือดร้อนกับผล เพรานั่นเองนี่เนี่ยคาสอนของพระพเิเศษจริงๆในอันเนี้ยไม่ต้องไปวิ่งเต้นว่ายวนเอาใครทั้งหมดเลยผีช่วยเราไม่ได้เทวดาช่วยรอให้ได้ไม่ได้แม้พระพิเจ้าเองอยู่ที่นี่แหละนั่งอยู่ที่นี่แหละมาทําแทนเราก็ไม่ได้ถ้าพระพิเศษทั้งจึงสอนเอาไ ว, ว้ว่าอักขาตาโลตาถาคตาอันนี้เป็นคําสอนของพระพิเศษแปลว่าพาตถาคต เป็นผู้แนะวิธีปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราทำเองท่านสอนอย่างนั้นแต่พระตาคตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทำแทนพวกเธอไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้แต่เธออยากรู้ต้องทำเอาเองอันนี้อาตมาไปสอนบางคนไม่อยากทำแต่อยากฟังเสยเหยาฟังแต่บอกให้ทำเลยไม่อยากทาอันนี้อาตมาไปเทศที่จังหวัดบริลามอาตมาพูดคนเป็นหลายร้อยวันนั้น เด็ดปีไหนจําไม่ได้คนเป็นหลายร้อยนะบอกว่าทํทาทําหน้าโยมนะไรเฉยเลยเฉยเลยอาตมาก็เลยพูดขึ้นให้ว่าถ้าคนใดไม่ทําตกนรกนี่นเลยถ้าพูดอย่างนี้เลยถ้าคนใดไม่ทํากับอาตมาข่าวนี้ตกนรกใครอยากตกนรกไม่ต้องทำํำพูดอย่างนี้ใครไม่อยากไปตกนรกต้องทําเนี่ยอาตมาก็บอกว่าเนี่ยถ้าทําเดี๋ยวเนี้ต้องมีนิสยัยนิด ใส่นิด ใ, ใส่คือเคยรู้นั่นเองว่าปารมีปารปาแปลพร้อมเนี่ยมีแล้วที่จะทําได้เลยไม่ใช่ว่าสร้างสมอบรมปารมีต่อจากหลังตายแล้วอันนั้นมันเข้าใจผิดถ้าใครไม่ทำปารมีเดียวนี้ยตกนรกบอกเลยนี่ทําตามไม่เอาเอานรกมาครูไม่ทําจริงๆริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องเอาสวรรค์เอานรกมาครู่เอาเอาสวรรค์มายองมายุกเอาอยัางทําได้อันนี้แปลวคนด้านคนบื้อ คนมีมานะคนเป็นทิฏฐิอันนี้เราต้องฟังต้องทาตามที่ที่ได้นำมาเราให้ฟังวันนี้ก็เอาหลักอัตมาเข้าใจว่าสมควรแล้วนี่ยจะสอนกันวิธีเดินจมูกให้เพื่อเราเราต้องทนจริงไม่ใช่จะพูดให้ฟังอันนี้พูดแล้วมันก็นเพียงแต่ว่าอาคาตาโลตถาคตานั่นแหละอาคาตาโลตถาคตานยะแปลว่าพระตถาคตเป็นติพูนเนี่ย แนววิธีปฏิบัติวิธียกมือให้มีสติเท่านั้นการทําพวกเธอทําเอาเอง ท, เท่านสอนอย่างนั้นพวกรู้เองเห็นเองเธอรู้เองเธอเห็นเองเธอเข้าใจเองไม่ใช่อัตมาจะไปรู้แทนไม่ใช่อัตมาจะไปทําแทนทําแ ท, ทนใครไม่ได้อัตมารู้อย่างนี้อัตมาจึงเอามาแนะแนวอย่างนี้เพราะว่าอย่างอื่นอัตมาก็ทํามาพุโทโธอ ร, รหังพองยกดูลมหายใจอัตมาทํามามากแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้จริงๆอัตมาทําอันนี้อัตมา ดมันอาตมาไปรับกรรมฐานเมื่อแปดครั้เมื่อเ้าครั้อาตมาทําทั้งวันทั้งคืนเมื่อสิบครั้งอาตมาลุอาตมาเป็นคนจริงนะไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะเนี่ยค่ะพูดจริงทําจริงต้องรู้จริงพูดไม่จริงทําไม่จริงมันก็รู้ไม่จริงอรพวกอันนี้คนจริงนะพูดจริงจริงอาตมาจริงกล้าพวกคุณเนี่ยไม่เหมือนอาตมานะสมมตินะอ่ะทําไม่จริงเอ้าให้เวลาสามปี อาตมาทำสองวันนะี่ยมันรู้เนี่ยพวกเธอทำสามปีจะไม่ทอ่ออาตมาทำสองวันติดรวมกับบ้าตอนนะี้เป็นยังไงเป็นยังไงเดินจงกรมดีกว่าเดนินจงกรมเนี่ยเดินไปไม่ต้องว่าซ้ายยางหนอหัวายางหนอไม่ต้องพูดยกส้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอกดหนอถูกหนอไม่ต้องพูดอาตมาทำมาแล้วเรื่องนี้ทำแล้วไม่เกิดปัญญา อันนี้เขาเรียกว่าวิธีของยุกอัตมาทําอย่างน้อยต้องเป็นเวลาแปดปีเรื่องนี้มันเหลือไปแล้วในตาราบอกว่าเจ็ดปีนี่อัตมาทํามาเป็นเวลาซาเกือบตั้งแปดปีคุณทํามายกสนหนอยกหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนอได้ชานเขาว่าอย่างมันจะได้ชานทําไมมันจำเอามาพูดเอาไม่ใช่สารอยางชางเตวารู้อัตมาก็เลยตัด ทิ้งไม่ต้องพูดเดินไปเฉยๆ เ, เดินก้าวไปหนูทํางานอะไรเป็ <c oughs> นครูเป็นครูเดินไปโรงเรียนบัดเนี่ยถ้าหากหนูมีรลจั ก, กรยานหรือนั่งรถก็ตามถ้าเดินนั่นรงรลจั ก, กรยานก็ขาขยายไปเนี่ยหยับบันไดมันให้มีกลมรูดสึกถ้าไม่มีรลจั ก, กรยานเดินะก็เดินไปเฉยๆนี่แหละเดินไป เ, เ, เ, ด, ไปเดินก้าวไปก้าวไปหยักสิบก้าวลูกครั้งนึงก็ยังดีดีก็ไม่รู้ <c oughs> เอาอย่างนี้ ถ้าเดินไปสิบเก้ารู้ห้าครั้งก็ยินดีถ้าไม่รู้สักเที่ยวก็เต็มทีแล้ว <c oughs> ต้องรู้รู้เก้านึงสองเก้าก็ดีไปถึงโรงเรียนคงจะมีจักรร้อยเก้านะรู้จักรสิบเก้าก็ดีดีก็ไม่รู้เนี่ยทําอย่างนี้มันจกสะสมเอาไว้คมรู้อันนี้มันจะค่อยมากขึ้นมากขึ้นมันจะรู้เรื่อยไปวิธีที่พูดกันวันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างนี้นคือรู้เรื่องรูปนามแล้วอย่าเอาสติมาใส่รูปนามให้เอาสติคอยดูคมคิด บได้หนูเดินไปโรงเรียนไปสอนนักเรียนเดินไปเหยาะสติมังกรมนุษเท่ามากเกินไปให้คอยดูความคิดดูต้นไม้หรือดูคนเดินผ่านไปตามถนนหนทางก็ได้และมันคิดได้คุณคิดแล้วทิ้งไปเลยอย่าเข้าไปในความคิดถ้าเข้าไปในความคิดมันจะพาคิดคนนั่นผู้หญิงผู้ชายคนดูดูหน้าดูตาคนดําคนขาวนุ่งเสื้อสีนั้นไม่ต้องเอาอันนั้นมันเป็นวิจตุวิจาร เห็นว่าผู้หญิงผูสร้างผู้ศักดิ์ศรัทธเฉยไปเลยโอ๊้คนมันแล้วกันไปเห็นเหมือนเราเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้แล้วไปเลยอย่าว่าโอ้ต้นไม้เป็นจริงนั่งกินนี่ไม่ต้องวิพาควิจารณ์มันอันนี้เป็นวิธีเนี่ยคือว่ามันคิดกันแล้วไปมันคิดกันแล้วไปแต่ว่าต้องวิพาควิจารณ์นะอันนี้สมมติพูดนะถ้ามีเรื่องขึ้นมาจะแก้ปัญหาไม่ได้นะบัดนี้อันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนไป็ักของบัดนี้มึงเสื้อสีนั้นสีกันรู้จักอีกแล้วบัดนี้อันนี้มันต้องเป็นปัญญาน คือต้องรู้คนผู้ชายผู้หญิงคนมีอายุกี่ปีประมานั่นเขาก็ให้รู้แต่อัตมาพูดนี้ไม่ได้พูดเรื่องอันนั้นคือพูดให้รู้ความคิดเมื่อกำลัาคิดแปกขึ้นไปแล้วตัดทันทีอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คิดดีคิดชั่วไม่ต้องคิดบันนี้เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีโครงการคิดอันนั้นหรือจะไปสอนนักเรียนต้องมีโครงการจะสอนเรื่องอะไรวันนี้ต้องสอนต้องคิดแต่คนคิดสนิทนั้นมันคิดมาแป๊บเดียวมันไปเลย อันนั้นเป็นเรื่องความคิดความคิดตัวนี้มันนําโทสะโมหะโลภะเข้ามาอันที่เราตั้งคิดขึ้นมานั้นมันไม่ต้องนําคนําโทสะโมหะอันนั้นมันตั้งคิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาความคิดจะมีสองอย่างด้วยค่ะความสงบก็มีสองอย่างด้วยค่ะสงบจากอันควมคิดแวบอันนั้นแหละแล้วก็มาอยู่ด้วยสติปัญญาตัวนี้อันนี้สงบแบบการเห็นแจ้งสงบแบบด้วยเห็นความคิดแวบบอันนั้นคืว่าสงบใต้โมหะ ก็มาสงบนุดนุดอนนี้สงบให้รู้อันเดินไปก็ให้รู้นั่งกินข้าวก็ให้รู้นี่เป็นวิธีเดินจมกลมไม่ใช่ว่าเดินจมกลมเดินทั้งวันไม่รู้สึกตัวเลยอันนั้นก็เต็มทีเดินไปจนตายนไม่เป็นอย่างไนไม่ใช่เดินอย่างไงเดินก้าวไปก้าวมารู้นี่เขว่าเดินจมกมเดินจมกลมก็หมายถึงเปื้อนอิริยาบถนั่นเองให้เข้าใจว่าเดินจมกลมเเพื่ออะไรเนี่ยเปื้อนอิริยาบถ อันนั้นถ้าไม่คิดก็ทําไม่ได้ยนะกลัว บ, บ้าอเลยต้องเป็นต้องคิดเราจะทําอะไรจะปลูกบ้านหรือจะซื้อของเสื้อผ้าหรือจะเสื้ออะไรก็ตามมันต้องคิดมันจะคุ้มค่าเงินเราไหมเราซื้อปไปแล้วจะไปทําอะไรมันต้องคิดอันนั้นไม่คิดมันกขาว่าคนบ้าอันนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นเราใส้สติปัญญาอันนี้อันนี้แหละเป็นมหาโกศลอย่างยิง่งมหาโกศนมหาเทวตวิญ่อันนี้แหละเขาเรียกว่าปาละมี ไม่ใช่วปารมีฐานะปารมีสีละปารมีไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าฐานะปารมีสีละปารมีเนคขะปารมีอันนั้นมันเรื่องตําราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นฐานะปารมีเนี่ยฐานะคาว่าเอาให้เอาให้สีละปารมีคําว่าศิลคนมีศิลไม่ใช่ว่าตายแล้วยังจะมีศิลสร้างสมอบรมปารมีอันนั้นมันเรื่องนอกเรื่องปาระเปียพร้อมมีแล้วอ่ะมันนี่ถามดูเดี๋ยวออกกำมือดูดิ มีแล้วมือก็มีพร้อมแล้วเนี่คนยควา ม, มา ร, า ร, ารู้สึกก็มีพร้อมแล้วขาบอกตาละตาละเปยวพร้อมมีแล้วความรู้สึกกับมันมีแล้วเนี่ยอันโมหะโทสะนั้นมันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อย่าไปสนใจกับมันเดี๋ยวนี้มีโมหะโทสะไหมหนูเนี่ยอันกำมือนี่มีไหมอันกํามือเ น, นี่ยรู้สึกไหมอรู้นนสึกไหมอันความรู้สึกในมันมีท่านว่า คนเอิญปาละมีปาละแปลว่าพร้อมแล้วกำมือพร้อมแล้วเนี่ยรู้สึกแล้วคนเอิญมันมีอิญปาละแปลว่าพร้อมเทียงปาละที่ว่ามันมีมันนะปาละมีนะตายได้อย่างเอาเป็สร้างสุเอา น, นั้นมันเรื่องตำราคนที่ไม่เข้าใจต้องพูดไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสร้างปีนี้ปีหน้าอย่างเอามันไม่ใช่อย่างนั้นสร้างเดี๋ยวนี้ต้องเอาเดปานะ่พร้อมีลยวจะเลี้ยงท่านให้ท่านมีความสุขคนคนหนึ่งนะคนที่สอง วีณาท่านอุจจ า, าระปัสวัจจีเปน็นนอนให้ท่านไปถ่าย อ, อืคนที่สองคนที่สามจะทําที่นอนให้ท่านทุกวันทุกวันเลคนที่สามคนที่สี่จะบวชแทนท่านอือันนี้บวชแทนในบัดนี้คนที่ห้าจะพยางทําให้ท่านรู้สึกคนที่ห้าอ๋อบุญแทนคุณของท่านได้นี่ว่าคนที่ห้าเนี่ยือว่าเอาพอเอาเมื่อขึ้นเป็นสวรรค์ได้ในปี วันนี้เปรียบพอีกหลายเรื่องวันนี้ไปจุดไฟอันนี้มันเรื่องปรลาลำปลาเนี่ยไปจุดไฟพ่อแม่ตายจะไปตกนรกอะไรแบนี้ไปเห็นผ้าเจวรยของลูกยันที่คุณวัชร์สิน่ะวันนี้เห็นแสงไฟไม่เคยรู้แสงไฟคนพูดภาษาไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้แดงแดงนั่นถามถามใจอยู่พิบาลแดงแดงอันนั่นมาอะไรไฟไฟนรกอ่ะโอ้ไฟนรนกไปอย่างนี้ แม่เหมือนกับพระจีวรที่เราเออกให้ลูกเราไปบวชเนี่ยค่าว่าอันนี้ก็เอาพ่อแม่เอาไปจ้งนรกลูกเป็นเรื่องสมมตินะเด็ยเดือดเดือดไปาลยพอแม่เห็นแสงไฟเนี่ยมันมันใครใคๆคือแสงไฟเนี่ยโอ้คิดถึงลูกเราบวชอยู่สมัยนั้นน้องลูกเจ้าเคยบวชไม่เคยบวชเลอันนี้ก็แปลว่ า, า่ารตัดต้นใจในขณะที่บวชเนี่ยมันใจดีด้วยําลังทาดีได้ใจดีเท่านั้นยิบเดียนันก็ยังเป็นบุญเป็นผลปรนการสนองบุญของพ่อของ อันนี้ว่าตามภาษาที่ตัวห น, น, น, นังสือเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวหนังือเนอพอแมววาสุกวางผปรนหลาประลาดผมรนนนู้ท่านเ่มไม่ใช่เราทำทาให้ท่านนะให้แนะนำให้ท่านทาผมรู้สึกเอาเองเอะรอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยทำผมรู้สึกให้ท่านโดเรามาทำเอกปให้ได้ท่านลูกกูเดียวบเมียนแ้่พระพิฆเนท่านคอยเนี่ักขาตาโลตัขาคาตาไปได้ยินเนี่ยตักขาตโลตักขาคาตาไปพระตาคาโคตเป็นเพียงผู้แน่แมวเนี่ย การประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเธออันนี้ก็เมื่อขระพุเจ้าสุดโททนาเนี่จะตายชวนจะตายจะบุนลมหายใจแล้วนะอันนี้เเคยพูดที่นี่กับคุณในหมนื่อไหร่เคยพูดพูดเถอะนะช<ม>วนจะตายจะบุนลมหายใจแล้วนะสุดโททนานไม่มีโอกาสไม่มีนะเพาะพเจ้าก็เลยเป็นในางใกล้ๆนะี่ทคาคมรู้สึดนะทาําคุณเราก็เคยสอนวาบัจิตตาดักให้มีสตินะคือส่วนนั้นทำคมรู้สึดนะทําคุณรู้ปทําคมรู้สป วันนี้ทำคนรู้สึกนี่แนั้นะคอยดูคุณมคิดมนะั้คอยดูคิดสุดตัวธนากันเลยจับต้นเหตุกับเนืที่คืองมันหมดลงได้จับไปได้ติดธนาอันนี้ก็ร้อยเราอยัางนั้นนี่แหละวันนะี้ี้จะปีสองปีกับรูไ้ไปขนาด น, ะนอนนํากันทุกวันหนูใครคนหนึนะ่งสองคนนี้นอ น, น, นหนูตินอนนอนนําทุกวันทุกวันเนะ่ยอาจารมาร์กใจอบอกเกิดคิดมั่มันต้องรู้ใ น, น, นวันนี้เราทำกูัน ลูบทุกวแล้วก็ทำทุกวันก็ลูบๆอันนี้เปรียาว่าสนองบุญคุณของพระเดี๋ยวเราก็ต้องรู้ตามนั้นเนาะอันนี้เพิ่งไปเรียนสอนไปอย่างนี้คนใดทําแต่ประโยชน์ส่วนตัวยังไม่ทําประโยชน์ให้คนอื่นอันนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระที่เจ้าไว่าอีกอย่านึ่งเจ้าซอนหลายเรื่องคนใดทําแต่ประโยชน์ส่วนคนอื่นยังไม่ทําประโยชน์ส่วนตัวอันนั้นก็ไม่ใด้เป็นลูกศิษย์สถาพุทคนใดทําประโยชน์ส่วนตัว และทำประโยชน์คนอื่นอันนั้นแหละเป็นลูกของศาสนาพทธแทนู้กระทำนูกระู้แล้วก็ทำให้แม่บําให้แม่่าทาตัวปราด้วยนะทำประโยชน์ส่วนตัวจะทาประโยชน์่านถึงพร้อมทาประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมเตือพร้อมกันด้วยกันกหอมอันนี้าอันนั้นเป็นลูกปีของพิฆเ ปรจําได้เลยอันนี้เร า, าไม่ได้มาสอนอะไรทั้งตัวเราสอนอันนี้ก็ยัง์แ่ไหนอันนี้ที่เขาเยอะที่ตัดอะไรในในประไตรปิฎกมสอนมันมีพระไตริฎกแต่กกตว่าเฮาอ่านไปนานๆมันบุบก็ต้องไปสเสาะแสะแสวงอาในพระไตรปิฎกหนึ่งได้มาสอน<ก Stamp>อย่าที่หลวงพ่อทําเมื่อกี้เลยอันนี้กะอันนี้เขาว่าสติ ส, สัมปสะว่าวันนึันนี้คันว่าตามพระไตรปิฎกอันนี้เขาว่า นิ่นีป็นสติปัพฐานคำว่าสติปัฏพ์ปัพฐะบันนี้ว่าภาษาไท้เขาเนี่ยเขาบอกว่าสติปัฏพ์แกตำราไทยเขาอาจีบุตรอเขาไปพบอในพระไตรปิฎสติปัฏพะบันนี้ตันตุนุสีเขาเอินสัมปัสยะพันว่าตามตัวที่หมายว่าเขาเอินสติปัฏพ์ตามตนุสีเขมาเพราะว่าตวนุือมันแักแพลงใช่ไ ปะะเรียตำราของบัดบ้นนี้เขาโยหาว่ามีของใหม่ตรงขอเคยสอนอยู่ถม้านนึ่มแม่ในของใหม่จัวะมันจีแน่ของใหม่ยังพอเจ้าท่านสอนอย่างนี้ให้ลูกห้ลูป็นัทำเนะทำโดยจเองคนวานทำให้มันรู้จริงอันนี้ใ่ที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาแตกชันไปสอนคนอย่างเขาเป็นกัรไม่ผิดนะไม่ผิดเรายังไม่ให้ไม่เห็นนี่เป็นการถูกต้องเปล่า ถ, ถ้าเกิดสอนท่าอย่างเงี้ยเราไ ม, ไม่ไม่บาด อ, อันนี้จะพูดคือเรารู้แค่นี้<ะ>เราต้องสอนแค่นี้รู้จริงเนี่ยเราผมกํามือนี้รู้จริงโอ้หนีสัตวก็ไปสอนคนนั้นเปลี่ยนํามือไม่รู้จริงไหมเอาเพียงแค่นี้จะไปสอนเนื้อเลยเราเสียนขอใกล้ไปจะไปสอนขอไขขิด <c oughs> เราเขียนขอไขแล้วจะไปสอนโยกผู้หญิงมันผิดแล้้วถาเกิดปัญญารู้แล้วค่อยสอนมันไม่ดีอันนั่งก็ดีเหมือนกันอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเคไปตําำมีก่อ เธอเป็นพระอรหันต์แล้วยังจะไปสอนคนถ้าหักเธอตายแล้วเธอจะได้สอนไหมเขาไม่เห็นสอนเพันยังไม่เห็นจายแจ้งจริงก็ยังว่าลู่ท่าใดให้สอนทอนนั้นเขาจะผิดอนะใช่ไหมเขาเข้าใจเลยลู่ท่อใดให้สอนทอนนั้นเขาอยากทัองสอนอย่างนี้ถ้าหักเธอเป็นพระอรหันต์นี่จะไปสอนตายแล้วยังไม่ได้สอนเลยองจะทัองสอนอย่างนี้ใ่ไหมเออเนี่ยกเขาเข้าใจอย่างนีเธอมีรู้จักวิธีทําบุญก็ต้องสอนให้รู้จักไปเรียวิธีทําบุญ เธอรู้จักวิธีรักษาศีลให้สอนแตเพียงวิธีรักษาศีลเธอสอนให้รู้จักเพียงแตกรรมมือให้รู้จั ก, จกแล้วก็สอนเพียงเต่กรรมมือรู้จักเธ อ, อรู้จักเพียงดูลมหายใจเธอกะต้องสอนให้ดูลมหายใจเท่านั้นไม่ให้สอนนอกเหนือคองรู้เราไปอย่างที่อาจามาพูดเนี่ยอาจามาเขาทำมาหลายแบบกับเรารู้หลายแบบวิธีจะนี้อาจามาส <c oughs> อนทุกแบบมันก็สอนไป <c oughs> ทั <c oughs> ท่วๆไปหมดเหรอไม่ใช่วันเจรวันรู้ปีพระอรหันนี่ยังสอนไมาใช่อย่างนั้นอันนี้อาจามาพูดความจริงนะ อามาสอนแม่บ้านอาตมาแม่บ้านในรู้จักไหมรู้จักแม่บ้านในอาตมาเปลว่าเมียนะครัอาตมาสอนแม่บ้านเมียเนี่ยกับแม่เท้าสอนเต็มที่เสอนปัญญาปรัมมีนะสอนให้คล่องปัญญาปรมีที่ติสอสอนให้นั่งกรรมฐานที่เธอนอนเข้าในห้องนอนแล้วก็นั่งนั่งในอาตมาก็บางทีก็ไปนั่งนะนั่งของบางทีก็ไนั่งในห้องเขาจะกินนั่งแล้วก็นั่งเสรก็เราทำเองนะเขาก็นั่งอะไร เราลูกจากแค้นกระตุกตอนแค่นั้นแต่ว่าพิดประจำเป็นทุกประจาเป็นเน่ยพราะพระเจ้าสอนเรานเราลูกแค่ใดต้องสอนคนอื่นให้รูู้กกับเราแค่นั้นเองทประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอยแเแล้วหน้าที่ที่สอนแล้วไมยอมรลา้อมต้องใส่วมพยายามใช่วมพยายามใส่ขวมพยายามชเพราจะสอนม่เราเนี่ยอหยไม่เห็นดีนี่อย่างนี้ทยังไงใ้ขพยายาม เขหัวลอใช่เวลาใช่ใช่ไม่ยิหัวลอดหอโอหัวลอน่าก็ดีแล้วหัวลอดเรดีแล้วก็ดีเลยนจบแล้วดีแล้วเขาหัวลอเราดีแล้วดีกว่าเขาสังเนาะดีกว่าดีกว่าหน้าพุ่นย่งถ้าเขาหัวลอเนี่ยเข้าใจได้ถึงหนูพ่อพูดอันนึงเขาว่าหน้าบึ้งใส่เขาไม่หัวลอดเนี่ยมันไม่ดีถ้าเขาบึ้งจริงจริงเราก็มาดีก็สับแดงๆเขาเก็บแต่ก็จะดีมันมีหลายวิธีสอนผล ถ้าเขาหัวล่อนี่โอ้ยเขารักเราแล้วทําดูเนยเขาเจเขาเขาอยากทำเนี่ยไม่ใช่เขาได้ทำเขาหัวร่อนทั้งหัวทั้งทำนะเนี่เป็ น, นอย่างบางคนงบางคนหัวบึง้งขนาดหนีเลยนีเลยที่หลังยังวิ่งอีกได้ก็ต้องเอาใจที่ความพยายามยังไงให้หมอกความพยายามนี่สําคัญเราจะช่วยคนต้องต้องทนนะต้องอดทนจริงๆนะ่จๆนะจะช่วยคนีไม่ใช่ว่าจะช่วยเขาสมมติอย่างนี้นะ เคยเ ห, นคนหค็คนตกน้ำํำคนตกน้าถ้าคนตรงน้ำจมอยู่ัภายใยไปถ่ายภาพคนนั้นคนนั้นตายคเพราะดีคนตกน้ําเราจะไปถ่ายภาพคนคนตรงน้ำตายแล้วเพอาะดีเขาตกน้ําเราจําเป็นต้องจําเป็นเสื้อผ้าต้องเปียนกระโจนออกเขาไม่ตายเราไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าจําจเป็นต้องให้เขาดาด้วย เขาจะว่าจะเนีเขาได้ไปแล้วจําเป็นต้องเขาได้อเมริกาเหมือนกันคนตกน้ำต้องกระโจนทันทีอันนี้คนตรกนันก่งแบบพวกเราเนี่ยบนหันรู้ต้องฮีโร่ทันทีเมื่อเราตายเราตายแล้วบนหันเร็วเพิ่งสมมติหลายเรื่องท่านพระเจ้ามีปัญญาคนมีปัญญาเลยพระเจ้าโอ้โหน้าเราจะเรียนเข้าใจปิดกนคือนี่ขมาีิคนนี่แต่เราไม่ทําอย่างนี้จะรู้สึกไหม โยมเคยรักษาศีลหครับเคยคือรักษาแต่ไม่ทาไม่ไม่ไม่ทาอย่างนี้จะรู้สึกไหมรู้อย่างนี้ไหมอั้อย่างที่เอามือสัมผัสอย่างนี้รู้ไหมรู้ไหมนี่ยว่าจะรู้ยคยือไม่ไม่พาถ้าถ้าโยมไปรักษาศีลไปทาอย่างอื่นนะไม่ทาอย่างนี้รู้สึกหรือเาม่คือโยมเป็นนั่งรักษาศีลอย่างเนี่ยครับแต่ไม่ทาอย่างนี้จะรู้สึกไหม รู้สึกว่าลักษาศิมครัรู้สึกว่าทำอย่างนี้ไหมรู้สึกตัวอย่างรู้สึกไม่ไมรู้สึกเลยรู้สึกเออนี่แหเนี่ยอันรักษาศิษยมันดีส่วนหนึ่งครับอันทําอย่างนี้มันดีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นบัณฑิตสมมุตินะไม่ใช่ของจริงนะสมมติโยมไปสร้างกองกันถินหนึ่งกองสมมุตินะแต่ไม่ใช่ห้ามนะเนี่ยให้ทําแต่ว่าสมมุติให้ฟังแล้วคุณไปสร้างกองกันถินส่วนหนึ่งกองหนึ่งแล้วไม่ทําอย่างนี้จะรู้สึกไหมอย่างนี้ จะรู้สึกไม่ทันอย่างนี้ไม่ไม่จะรู้ไหมสร้างกองกระถินแต่ไม่ไม่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ทํำกลมรู้อันนี้จะรู้ไหมหมายความว่าหลวงพ่อถามว่าถ้าทํานี้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรารู้รู้ตัวรู้กันตัวตัวเองนะแต่ว่าการการทําไอ้การทฤษฎีนี่เป็นการทําที่เรารู้ว่าเราทําหละแต่เราไม่รู้ว่าเราจะรู้อันนี้ไหมสิหนึ่งเราจะรู้อันนี้ไหมรู้ที่เราโยมโยมนะโยมจะรู้ไหมการทำทีเรารู้ว่าตัวตัวรู้ไหมจะรู้ไหม ยังไม่เข้าใจครับคือคือคือหลวงพ่อถามมาอย่างนี้ครัถ้าลุงอ่าจะทำอย่างนี้นะฮะเจะก็รู้สึกว่าตัวตัวเป็นตัวตัวเองอยู่ว่าเราเป็นตัวน่ะเราเป็นมีเนื้อหนังมีอะไรเนี่ยตัวเราคือคือเธอตัวเาองรู้สึกนั่นแหละกับคดีส่วนหนึ่งตัวเองไม่ส่วนนี้การกระทาอยู่เนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใชไมันไม่ดีส่วนนี้แต่ไม่จะของในใจไม่ไม่ใช่ของในกัวเลยนะคนับยอมขยิบตาแล้วรู้หมรู้ครับแล้วอันนี้จะเรียกว่าอะไร นั่นแหละสติคนระลึกได้เออนี่แหละนี้แหละเอาเงินไปจ้างคนอื่นทําแทนได้ไหมไม่ได้นี่แหละนี่ของจริงของแท้ไอมันนี่โยมไปรักษาสินศินเขาแปลว่าปกติครับแต่เราไม่รู้เต็มมีสินเนี่ยคมีเด็มสินก็คือควารู้สึกนี้มันเป็นปกติเรากรทําี่นี่ควรู้สึกส่วนสินแปลว่าปกติแต่ไม่ใส่ว่าห้ามอันันนะเที่ยจะมาพูดให้เบลจะฟังผิดไปอ้ย มูตาเนี่ยห้ามไม่ให้ทําบุญไม่ให้รักษาทีนีะเจเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เข้าใจอย่างนั้นนี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นนะแต่เข้าใจคือว่าเราจะอนุนังก็ดีแล้วแต่ว่าทําอันนี้ไปพร้อมให้มีสติให้มีสติไปพร้อมให้มีสติทำอันใดให้มีสติคือให้ทำคมรู้สึกถ้าเราไม่ไม่ทำคมรู้สึกอันนี้มนก็ได้บุญอันนั้นอันนั้นมันอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งมงคนละ อันนี้เราควรทำคือควรควรเจริญทุกวันที่ี่ในที่นอนเราบ้านเราควรเดินจงกรมเคยเดินเคยเดินจงกรมไหมผมผมมันจะไ่เเคยซอมดินเดิน่เมยังไม่เคยเดินจงรมนะถามัเดินจงกุมนีควรเดินบานราคเดินได้เดินยเทก็ได้เดินทุกเย็นทุกเช้าเดินทุกเย็นทุกเช้าแล้วก็ที่ให้จังหวะใหทุกเย็นทุกเช้าเวลาจะนอนก็ให้ยาง อันนี้วิธีจะจะอ่ะวันนี้จะจะทําวิธีจะทําวิธีให้ให้ให้ดูเวลาจะจะนอนนะครับต้องทำอย่างนี้เวลาจะนอนนีไม่ได้สอนนี่คือว่ามันนไม่มีเนี่ยหาเบนยักข้าบดิ๊กไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทําย่างนี้คือทําอย่างนี้เดนยักขบดิ๊กให้มันเทียบอันนี้เนื้อเทียบอันนี้ทำแบบนี้มูนเขาโอหันต์หนึ่ง สองสามหนที่นี่สม่มืนที่นี่ห้าหนที่นี่ก เขาเคยทำเงมาเอาอย่างน้อยเอาสามสิบปีนะเอาสามไม่ได้ทำทุกวันนะเขา <ทำ S 1> เป็นธรรมด ว่าต้องอัน <That> น <'s right> ี้เนี่ยโยมที่ที่ถามก็นี้ถามด้วยความจริงใจนะคือคืออาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดด้วยคมโกหกพูดด้วความจริงใจเดี๋ยวนี้โยมโกรธเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะนั่นแล้โยมต้องการให้มันหมดทําไมคงโกรธถ้าคมโกรธไม่มีอยู่ไมจะไปต้องการโยมโยมต้องการไม่ให้มีคมโกรธคงโกรธมันไม่ได้มีอยู่แล้วครับ่นเราอยากไปไล่คงโกรธมันไล่ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นวันนี้อัยมณีถามนี้รู้สึกไหม คนรู้สึกนี่ทำไมจึงไม่ทำทำคนรู้สึกตัวนี้มันจะไปไล่ความโกรธทานตกได้คือคือจะให้มีสติอยู่เรื่อยมันะไล่ความโกรธไปนั่นแหละไม่ใช่ว่าทาเพียงแค่นี้นะต้องทาจังหวะอะไรทาอย่างที่ที่พวกที่ทํานี่ยทำทุวันทุกวันตอนเช้าตอนเย็นอย่างที่มีมีหนังสือจังหวาให้มีอิริยาบถอย่างที่ที่ทำอย่างนี้รับทาเป็นนะ ทำยังนี้ทุกวันมัน้ทำเป็นนานๆมันมันจะมันจะรู้เองอันนี้ทวาทำบุญมันก็ไม่รู้อันนี้อันรู้อันนี้กับอรู้ทําบุญนั้นมันก็รู้คนลนเรื่องกันทำบุญรจเเวทน้แล้วก็ดีใจะครทำทําล้วดีใจบางทีแล้วก็ดีใจมักบใจไม่ดีใช่ไหมันยมันดีอันนี้มันไม่เอาดีใจจะเอาความรู้สึก เอาความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่เอาเดีใจเสียใจเอนนครับผมรู้สึกนั่นก็เหมือน ก, กับที่ว่าเรารู้เราตื่นรเราไม่นอนหลับเมื่อเราเรานอนหลับเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ตื่นคือใครจะทําอะไรก็ทําได้อันที่อาตมาพูดนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่จเจริญสติคือจะไปทําลายควมหลงผิดจะไปทําลายความโกรธความโลภให้มันมันไม่มีอยู่แล้ว คือเราไม่เห็นอาสมมติอย่างนี้ก็ได้เหรอครับยุ่งหลับตาเนี่ยหลับตาเอาเอาหลับตาแล้วเอาของไว้ที่หน้าอย่างนี้สมมติอย่างนี้หลับตาแล้วคนมาเอาของนี่จะเห็นไหมเน่ยวันนี้ท่านโยมตาจะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทําคนรู้สึกอันนี้เนื่อๆอยู่อยู่เลยนะคนห้ามมาโผลเราเราก็จะไม่โผล่เลยเมันเป็นทุกข์โยมรู้สึกว่เป็นทุกข์ไหมโอ้เนี่นเราเขาไม่ไม่เอาแล้วเป็นทุกข์แบบนี้ สมมตินะบะนี่เราเดินไปบะนี่เราจะก้าวเท้าเหยียดที่ตรงนี้แ่ะวันนี้มีงูทำทานงูทำทานรู้ไหยงูทำทานงูทำทานรู้ไหมงูทำทานมันกัดคนมันตายเปาะงูอันนั้นงูทำทานมันไม่กัวคนไม่ใช่งูจงอางงูจงอางกับงูทำทานคล้ายๆกันงูเป็น เป็นสีเหลืองสีอะ้รเป็นกล้องเป็นก้องต่างๆมันตัวมันก้องทอไม่แม่เส้นงูกข้องทตัวมันยาวขนาดนี้กูงูกล้องทองตัวขนาดนี้นะงูเขาเรื่อยๆมันมันเดินช้าๆไหมเดินช้าๆมันไม่กลัวคนน่ากังวลอันนี้มันไม่กลัวคนแต่มันก็กลัวคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มันไม่ไปเร็ว มันไปศัตวาแต่ถ้าคนไปที่ไหมต้องดูคนทันทีครับอมันไม่เคยกลัวคนงูเนี่มันไม่เคยกลัวคนงูเอาเอาคนไปตีมันกับมันไม่กลัวตีมันก็ตายแต่มันไม่เคยกลัวคนตีปุ๊บก็ดุดใส่คนเลยงูงูนี้กัดคนตายที่บ้านอาจามาถ้างูนี่กัดแล้วก็มีหวังตายเขาเรียกเขาเรื่องงูงูทำทานคำทานงูทำทานแถวนี้อาจจะไม่มี งันมันไม่เคยเกลือไมีมันท mm ั้งนั้นเกินไฟเหือเราใต้ไฟวันนี้คันเห็นคนไต้ไสวันนี้ใต้ไฟบ้านตมาคือมันสมัยนั้นเขาเอาไม้มาสับมาสับแล้วไตไปเขาต่ไฟหวงเลยโอ้ไต่ไฟไต่ไฟหลวงรถยามมาเป็นทวนไฟเนี่ยใส่ไกระบองปยกระบอกๆี่ก็มันก็ไล่กินถ้าเราไต ต่อไปนะการเห็นงูนะเราก็ต้อเอาขี้ไปบางทิ้งที่งมันแล้วเรก็ไปลยที่ทิ้ไปทิ้มันกินกนนะไปกินกันไปถ้าเราท่านใสอย่างนี้ราก็ตอขูขี้ที่งมาที่มันมันกินใสนะไปงูนั่นมันมันมันไม่กลัวคนนะถ้ามันถ้าเห็นเราก็ต้องระวังทันทีอย่าเข้าไปใกล้กับงูตายคือมันไม่เคยกลัวคนเพราะงทานอยากทานไปนะก็ของู งูหลักควยเข้าวงูอันนี้งูเป็นพิษงูเห่าไม่เป็นพิษทั้งงูอนี้เคยเห็นงูเห่าไหงูเห่าไม่เป็นพิษทั้งงูงูเห่านี่ไปไหวมันกลัวบางคนเข้มคนนันหนีทันทีงูนี้มันไม่หนีงูเป็นพิษนี่ที่มันเป็นพิษมันไม่หนีมันไม่กลัวมันเสื้อพิษมันอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนอันถ้าเราก้าวขาเป็นถ้าเห็นงูพิษจะมันจัดเติเบุกนี้ทันทีมันจะไม่สามารถที่จะเยียบอันนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรามีความรู้สึกยังคนคนอื่นอนะพูดให้เรามันจะอย่างโอ้ยมันคืเป็นทุกข์แต่มันจะมนีพปทันทีเลยควมทุกข์มันจะมนีทันทีที่ที่พูดให้ฟังนี่เข้าใจมหมที่ว่าคือให้รู้สึกจุ่ยสมด่ลมากับทุกข์เวาให้มันให้มันรียรู้รรคุมคิดคุมตัวนี้มันเป็นวิธีที่จะเข้าไปสับอิเมือนกับที่วล า, าจะเข้าไปในห้องบ้านเราเนะี่ยจะเข้าไป้เาเราต้องมีประตูบ้าน ชาคตัวนี้ถ้าแปลตามตัวหนังสือมันชาคารุโยกใช่ชาคารุโยกเขาว่าตื่รู้สึกเพราะว่าชาคารุโยกมันเขาว่าชาคารุโยกมันมันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวไมเก็บอันนี้แค่นั้นก็ดีชาคารุโยกของอันนี้คือว่ามันเป็นสติขาตืนตัวในชาคารุโยกไี่เขาว่าทัางข่าวชาคารุโยกถ้าพูดตามตัวหนังสือว่าทางข่าว นมันอันน the anyway, ี้เ่อตามตัวงสือที่ท่คนคิดไปตัวหนังสือแล้วเนยอามาไม่ใส่คือบางท่ามองข่าวคนอาจะมาต้องไปซอกหาตัวหนังสือไปซอกไม่สช่เอาเดินไปเนี่ยคือว่ามันต้องไปหาคนหาหลักมันมาจะมาพูดไม่ได้คืออันนั้นมันไม่ใช่อันนี้อันนี้คือว่ามันชนตื่นตัวเสนออันนี้รวมรู้สึกตัวอันนี้คนรู้สึกตัวนี้เรารู้สึกเป็นเพียงลูก ทวนจิตใจนั้นนองโยมจะมีความรู้สึกอันนี้มันจะไปสดุปกับิตใจคิดรู้ขึ้นมันยารู้ทันท่าโยมรู้สึกว่าคิดรู้ขึ้นมันมดเลยเราในเรื่องโทรศัพท์โมหะี่ ด้วยกันเราต้องถามกันเพื่อความจงรักภักดีนะบุญกุศลกับปัญญาพลเมียเป็นคนละอันกันอยูบุญแปลว่าโยมอยู่นี่แหะบุญโยมอันนี้บุญนั่นคือว่าเราไม่เจ็บไายได้ป่วยไม่เจ็บผมก็ปวดท้องมีอยู่อย่างนี้เขาว่าบุญกุศลเขาเรียกว่าสลาดสลัดกุศล ปาละเพียรพร้อมมีคือมันมีแล้วอคุณว่ามีนี่มันมีแล้วมีตามีหูมีแล้จะพูดอะไรผมรู้สึกกับมีอยู่แล้วฉะนั้นว่สะสมบารมีครับสะสมก็คือว่าเก็บน้อยประสมให้มากคือว่าเก็บน้อยประสมให้มากนทําหลายทีมันมากขึ้นมากขึ้นเรียบสะสมให้ครับสะสมให้ปาละพร้อมที่จะทําได้พิบตานี่ทาได้มีแล้วตาก็มีแล้วเห็นไหมใช่ไ คำปาลมีเนี่ยพร้อมแล้วคือตาก็มีหูก็มีอะไรก็มีหมดแล้วเขาว่าปาลามีเขาว่าฐานะปาลมีเนี่ยฐานะตัวเนี้ยฐานะตัวฐานะตัวนี้ปาลมีมีแล้วความเจียวให้ทานอย่างนั้นใช่ไให้ทานอย่างนั้นให้ทานอันทานอันนี้มีมไม่ใช่ว่าทานอันนี้นะคันที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ทานอันนี้นะทานแปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับึงกับพาะอาตมาพูดนี่เข้าใจเลยนะ ทานตัวนี้หมายถึงว่าพร้อมที่จะเสียสละให้เสียสละคือทานไปเอาให้เอาให้คือไม่เอากลับคืนสมมุติวันโ ย, ยมเอาโยน้ําให้อตมาอตมาจะไม่รับเลยอตมาจะไม่ให้เปียกตัวอตมาโยมโยนสาดน้ำใส่อตมาพูดว่าเสียอตมาจะไม่รับน้ําโยมน้ําโยมสาดไปอตมาแต่จะไม่ไมเปียกน้ำโยมโยมจะเปียกคนเดียวอันนี้คืาว่าทารณ์ปรามีพร้อมเลือที่จะไม่รับน้ําโยม ได้ยินไหมอย่างนี้นเข้าใจไหมไ้อ๋อเออรรถมาเข้าใจว่าทางนี้ค้นคว้าตำลามากเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเพราะทางนี้มันมี้ผมเจริญ ม, มาก็นางสมัยนางมาคันธิยาดาพระพุทธเจ้าเนี่ยค่เคยได้ยินไหมไม่ละนางมาคันธิยาเคยได้ยินในเรื่องนี้แต่ผมไม่ได้ครับได้ยินเพื่อนก็นางมาคันธิยาดา เป็นเมียพระเจ้าอุเทนน่ะครับ่ะค่ือเมื่อสมัยนั้นนางมาคันธยาเป็นคนงามในเมืองในเมืองพาราณสีคเป็นคนงามวันนี้แม่นางอพอแม่นางมาคันธยาในเห็นพระเจ้ามานึกว่าจะเอาพระพุทเจ้าไปเป็นลูกเขยครับเข้าใจไหมเข้าใจเอานึกว่าจะเอาพระเจ้าไปเป็นลูกเขยนี่ว่าโอ้เราเห็นคนงามคนลูกสาวเราเป็นคนงามที่สุดในเมืองพาราณสีเนี่ยเมืองไม่ใช่เมืองพาราณสีเมืองอะไร เมืองนากตานชมไหมมันจำไม่ได้แล้วเมืองอันนี้กับเมืองเออเมืองสาวธีเนี่ยเนี่ยคือว่าลูกสาวเหล่าเนี่ยในสมมุติว่าในเมืองห้านี่แหละไม่มีคนไดงามเท่านลูกสาวเราทั้งหมดเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเดินมาบิธบาตแล้วเห็นเห็นแล้วก็งามนึกว่าคนนี้ละลูกเคยเรายนี้วันนี้ก็ลูกสาวก็แต่งตัวทุกมือทุกมือกับธรรมดาคนงามมันต้องเป็นอย่างนั้น มาดี้ก่อนเลยเออแล้วก็เห็นพระเจ้าก่นเมื่อเห็นพระเจ้ามาบินธบากก็เลยไปเอาลูกสาวมาให้ลูกสาวไปไซบาดพระพุทธเจ้างคงมีปัญญาอยู่แล้วเป็นบอกก็ น, นึกว่าแม่นา ม, มาคณิยาเนี่ยจะเอานา ม, มาคณิยามาลอกเาอ่าจะให้เราลงติดลูกตัวมาเนี่ยนามนาคณิยาก็เป็นสาวงามก็เลยว่าให้นา ม, มาคณิยาอย่าเอามาลอกเลยเหมือนของมันเขาพูดให้ฟังนั่น เนี่ยคิดว่าจะเอาคนนี้มาใหอย่างนะคือว่าแค่นั้นเราก็ไม่ได้เห็นนะเพียงคําพูดเนี่ยพระพิจิตรก็เลยท่มน้ําหลายทิ้มลุนนางมาคันทียา ง, งามเหมือนเป็นคนงามในเมืองหันยายนี่ก็ไม่งามกับเท่าน้หลายเราท่มทิ้มนี้หมดคีณพระพิจ้ารประนามนาง ม, ม, มาคันทียานเนี่ยนาง ม, มาคันทีนี่ก็ซ้ำใจที่แบบนี้ต้องดาา่ามันระบิดักโลกน้บบน เนี่ยบักหัวโล้นนี่มันว่ากูเหมือนกับน้ำลายด้วยมันเนี่ยญาของพระเจ้าเนี่ยพานั่นแหละเนี่ยนามาคันที่อยาด่าพระเจ้าอ่ะกับพระองค์ก็เลยส่วนพระเจ้าหนีแบบนี้โอ้ยนีซะเถอะนามาคันอย่าด่าอยู่นี่ืเอ้พี่นีไปสีใดสันันบ้านนี่ด่าไดี่ไปสบ้านอื่นคนนั้นุังได้บนเขาบด้าเลยันไปบ้านหน้าเขาด่าได้กี่ไปสอีตืนไปบ้านหน้าไปอีตืนเลมไปันเนี้นบอกใครได้ยินอะไรที่มันบอกอ่า ม้านนี้หลับไปบา น, นลูกก็จะหมดน้นนเขาจะหน้ า, าต่อไปไปสิ ไ, ไ, ไปบ้านหน้าตัวเขาข้เหมือนโลกที่ไปสาสนะมไปพาโนก็เลยเลยเรื่องว่าไฟเมืองใดไม่ตเอน้าเห ม, อพอพ ม, ญญ ม, มือนั้นมอดเชีพระเจ้าก็มีปัญญาไฟเมืองใดไมต่อเอาน้ำเหมือนั้นมอดบ น, นี้กับพระเจ้าก็จิไปเอานามาทณิยาแล้ว น, นา้ามาคณิยาได้เป็นมเมียพระเจ้า อ, อุเทนเหมืนบอกพอเมียพระเจ้าอุเนตายก็บนามาคณิยาก็เป็นสาวงาม พระเจ้าอเทก็ต้องเป็นพระเจ้าเป็นพญามือกันมาเอานาำมาคันิยาไปเป็นมหาเฮฟวีเป็นมหาเฮฟวีจ้างคนด่าพระเจ้าได้เดินด่าหมดคนเลยไปนั่นก็พระอานนท์ก็อายคนเป็นเนี่ยพระอานนท์เป็นพระโสดาพระเจ้าเนี่หมดเป็นคนที่ไม่มีไอนะพระเจ้าไม่มีอายไอไม่อายคือพระพุทเจ้าไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วไม่เอาคนด่าของคนแล้ววันนี้ไปเมื่อนี้ก็เอานามาคัิยาและวันเนี้ยเมื่อนี้ยจะไปสับนามาคัิยาอย่างแรงแล้วเมื่อเนี้ยพียพระอานนท์ อายหลายแล้วนไปกับไปกับพระนรนไปกับบนันนี่ยเข้าไปเดินไปใกล้ๆแล้วนางมาขิยาบอเคยใส่บาตรจากมือเนี่ยเข้าไปครับแต่พระยุธเทศเนี่ยเรื่อมสพระพุทธเจ้าแบบนี่ยพระเจ้าอุเทนเนี่ยมันก็ใส่บาตรพอดีเข้าไปใกล้ๆแล้วครับนางมาขันทิยากับมาสมบ่าอยู่คนแล้วคนนั้นท่านพามาทำไเนี่ยท่านพามานี ถ้าหากมีแขกมาบ้านท่านพราหมณ์จะรับต้อนเขาโดยวิธีไหนนี่เนี่ยสมณพโห罗เนี่ยแตดาเราไปเรียบเขาว่าสมณพโห罗มีปัญญาเนี่ยให้น่าซัวเนี่ยด่าเลยด่าจริงๆริงเนี่ยนี่แต่ไ่ได้เห็นหรอกเนี่ยตามตัวหนังสือครูบาอาจารย์คุ้นซ่อนวะนอ่นี้เขาว่าสมณพโห罗นี่ตีเขาว่าสลาร์เลยเสนอแล้วเขาจะด่าเลยท่านพราหมณ์ท่านพราหมณ์ดูก่อนนถ้าหากมีแขกมาที่บ้านท่าน ท่านจะรับต้อนเขาโดยวิธีไหนเห่ผลหน้าซัวเนี่ยแล้วก็มีข้าวต้มนมเนยที่มารับเขาเป็นนามคณิยาด่าด่าพร้อมนี่นะพอเเว่คมใดต้องด่าคม น, นั้นนะคุณว่ามันซ้าใจเขาว่ายิ่งคนนำหลายทมทิมคนน่้นเปนบนวเครียดดูว่าสาวจกเทือ่อที่มันฟังเข้าในใจนามคณิยามีอุปทานรายนี้นอะลรด่าเมื่อแขกไม่รับ ข้าวต้มนมเนยมันน่าจะตกเป็นของไข่ท่านพราหมณ์ก็เป็นของสันตี้สินเลยหัวคักแลระเดี๋ยวนี้นามาคณิยาเจ็บแล้วประเดี๋วนี้หัวเลยนามาคณิยาคือคือรัาแล้วไม่รับมันได้แล้วไม่รับเนี่ยเขาเป็นเจ้าก้ทันเขาไดเลยคนนามาคณิยาก็เป็นเมียมหากษัร์ก็เป็นคนงามก็เป็นคนสลัดอิศรด้วยนนามาคณิยากันเนี่ยถ้าแคกเขาไม่รับอาหารน่าจะตกเป็นของไข่หัวเลยนามาคณิยาเขานี่กันเนี่ย หัวเลยตอบไม่ออกแล้วหัวคิกแต่ไม่ได้เห็นออกเลยหัวถ้าสมมุติว่าหนูหัวรับตรงสิ่งละเฮ้ยหัวมันไม่มหัวมันหัวหัวเจ็บได้บ่นนี้ท่านพามด่าสันทุกวันทุกวันนั่นน่ะอาตมาไม่เอาก็คงจะเป็นของท่านพามเหมือนเดิมเจ็บเต็มทีแล้วเขาเนี่ <c oughs> เลิกเลยนะันมาคัานอยากสั่งเลิกไว้คนด่า <c oughs> <c oughs> อันนี้เราคือว่าทราบน้ำไปแล้วเขาไม่รับเลยเป็นอย่างที่อาตมาไม่ยอมเปรียกคือว่า อันนี้แหะเมื่อเราปฏิบัติอันนี้มันรู้จริงๆอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ทุกคนจะควรศึกษาคนว่าตำนานเนี่ยจะมาบอกว่ามันไกลมันไม่มีทางสิ้นจบคือจะว่าแต่ปฏิบัติทางใจโดยเฉพาะนี่คือมันค้านขี้เกียจว่าวของมู้นนั่นนะมันเป็นอย่างว้าแล้วมันนานได้เรื่องแต่ว่ายังเสียพยายไปปฏิบัตินั่นไถ่เป็นบอกก็ว่าจะซื้อของว่าวนี่สิ เ, เป็นบอล นามาคันที่ยากันเลยบูได้ดาพระพเจ้าพระเจ้าก็เลยบูดได้เกี่ยวข้องกับนำมาคันนี้พระเจ้าอุเทนก็ต้องใส่บาตรทุกวันทุกวันไปด้วยไปอันนี้ลูกเกิดขึ้นมาก็ยังมีเรื่องขึ้นมาโอ้มันหลายหลายเรื่องสลับซับซ้อนนี่ขันว่าเรื่องตำราใหรไปค้นพระไตรปิฎกคนอาตมาคนพระไตรปิฎกสามครังอาตมาคนพระไตรปิฎกสครั้งอาตมาคนพระไตรปิฎกได้บุญเป็นผลลิ้นบวชเข้ามาก็อ่านพระไตรปิฎกทันสาเดียวจบสามเท้าพระไตรปิฎกอ่านเติบแต่อามอ่านพระไตรปิฎกบูดอ่านคือม อ่านพวกเดียวเท่านั้นแหละมันจะอ่านมาเพราะว่าหุ่จักนีแล้วมันจะไปรวมในตัวเดียวนะนี่เนี่ยพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมม่นมีพระสูตรเขาขนยกเป็นตัวบุคคลพระวินัยเนีคือกฎระเบียบพระอภิธรรมเกเรื่องใจอย่างนั้นบนสมัยจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้สิสองรูปยี่สิบแปดมีพานหึไม่พูดอันนั้นอาตมาไม่พูดเลยอันนั้นอันนั้นเป็นอภิธรรมแน่นอะอภิอภิเปยว่ายิ่งใหญ่เป็นบ่อภิเปียวอภิณิหาร อาภีแปลว่ายิ่งใหญ<น>่ครับอันนั้นคํนาพูดมันไม่ใส่ไปเชื่ออาภีทำอาภีแปลว่าเล็กรวดเร็วเนี่ย well. อามารว่าตามตามภาษาอาภีแปลว่าเล็กรวดเร็วเลยมีอาภีนิหารเล็กรวดเร็วมีอภินิหารเขาไม่ใส่อาภีนิหารห่อคือยังพระกรรมฐานพูดนะเนี้อันนั้นมันเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งอาภีแปลว่าเล็กเร็วมีอภินิหารจิตใจโยมเคยไปจังหวัดใดใดบ่างเคยไปจังหวัดใดได้ เดินเที่ยวไปเล่นเล่ยรอนไปเคยจรงจรเคยเคยไปไหนนครมุ้งก็เคยไปนครจิตธรรมราชนี่นอกจากนั้นไปเคยไปจังหวัดไหนกรุงเทพก็เคยไปเคยไปกรุงเทพเคยไปนอกจากนอกจากจังหวัดกรุงเทพไปจังหวัดงหมทางทังไม่เคยไปเช้าเชียงใหม่เลยไม่เคยไปไกลจากบ้านโยมไปไปกรุงเทพนกไกลที่สุดนะพ่อไปถึงชาสงเซาไปาตงเซาไปทางไหนไปเรือไรือไม่ซา ตะวันออกไปทางชนบุรีอ่ะจันทบุรีชนบุรีแต่เลี้ยวแต่เลีวแต่เลี้วต่เลีวชาเชิงเซาที่หลวงพ่อโสธรอ่ะเข้าใจหลวงพ่อโสธรไม่ถึงกรุงเทพอายุทยาจากกรุงเทพแล้วก็ไปตะวันออกอายุทยาเคยไปไหมครับอายุทยาผ่างกรุงเทพไปคะั้งนู้นแปลกเลี้ยวมันครั้งนี้มันไม่ใช่ไก่มันไม่ใช่ไปเข้ากรุงเทพเต็มมันไม่ถึงกรุงเทพมันมันมันกรุงเทพมาครั้งนี้เอาบัตนี่โยมผมเร็วถามผมเร็ว นั่งอยู่เนี่ยกรุงเทพจากกรุงเทพไม่เด๋ยวนี้เนี่ยคิดถึงกรุงเทพขึ้นเทียนเนี่ยถ้าคลิมากรุงเทพคลิปเดนนี้คิด่กรุงเทพเทีนนี้คิปนะคิดเดียดเด๋ยวนี้ครับคิปเดืนนี้ถึงแถึงแเนี่ยขุมเร็วนี่ด เ, ดดเดาขอเาเขอพิษไปว่ายิ่งใหญ่อพิษไปแบว่า ok เ็เวที่สุดไ<ะ>ปว อ, อาพิษไปลเล็กที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดมีอพินี่หายีอยู่ที่นี่ปุ๊บเร็วก็ไฟฟ้ากรุงเทพเดือนนี้อันนี้อาพิษทำไม่ใช่อาพิษทำจิต แปดสิบเก้าเจแต่สิอันนั้นเลืองตำราคนยังนั่งกันไปสอนกันอย่างนั้นแต่เราจะไปสอนกันอย่างอาตมาไม่ได้สอนอย่างนั้นคืออาตมาจะสอนหักตำราออกไปอาพิธามเข้าไปว่าอะไรอืออ่ะพี่ทำไปว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ลึกลับทําอาพิธามาทําที่ยิ่งใหญ่ทําที่ยิ่งใหญ่ทําที่ลึกลับทําที่มีอภิเนหานมันพูดมันแปลเนี่ยแต่จะแปลคือว่าตัวหนังสือเขาแปลคําเนี่ยเขาต้องแปลไปได้เป็นประโยคสี่คําเป็นประโยคน คือว่าเป็นสี่คำเป็นประโยคสี่คำเป็นประโยคสี่คำเป็นเป็นประโยคครับสี่คำเป็นประโยคน้ำหนักสี่คำเนี่ยเป็นหนึ่งบาทครับแปลตามตัวหนังสืออั น, น, นแต่เราไม่ต้องแปลทางสานคือว่าไม่ต้องเอาหนังสือมาพูดนะตอนนี้นมันเป็นตำราคร เ, เหมือนกับกินฟางมันไม่อิมอ่มกินข้าวสุกยังได้เขาเปลือกเขากินไม่ดีครับอาตมาต้องกินข้าวสุกไม่กินข้าเปลือกไม่กินข้าวสารไม่กินฟาง จะให้คนจริงเข้าทุกแต่ผมว่าตำราศอนเรียนมาก่อนแล้วมันมาขับเรอรู้ก็จริงอีกอันนั้นตำลาเรารอบตำราทำอย่างนี้รู้ตำลาเลยคือคือทำตำรานะครับพระไตปิดกอยู่ที่ไหนอยู่ครับรู้จักพระไตรปิดดกไหมผมผมไม่ชูพระไตปิดดกพระไตปิดดกคือคนนี้เองตัวคนนี้เองเป็นพระไตรปิฎกเขายกเอาคนนี้ไปไว้พระไตปิดดก พระสูตรพระวินัยพระพิธรรมสามปิดกนะครับครับแต่วันนี้ที่อาตมาพูดมาแล้วครั้งแล้วเนี่ยเป็นเป็นกระพี่เป็นเปือกเหมือนพระใจปิดกเขาว่ายกเป็นบุคคลนะพระสูตรพระวีไนยกเป็นกฎระเบียบและพระพิธรรมเป็ว่ายิ่งใหญ่อันนี้เป็นตำราพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมสามปิดกนั่นเอพระสูตรพูดถึงนักการพระวีไนพูดถึงคําพูดพระพิธรรมพูดถึงจิตเลยไม่ต้องพูดกับตำราแล้วบนี้ทิ้งตำราไปแล้ววนี้ทิ้งออกไปส่วนหนึ่งนะพระสูตรพูดถึงอะไรฮะ พัดสูดถ้าพูดตั้งถ้าพูดตามตำนานนะพูดเบียรกับตัวคนก็ตัวเรานี่มือเท่าเนี่ยพัดสูตจริงพัดสูดแล้วแล้พระวินัยไอ้พระพระวินัยพระวินัยคำพูดนี่เองให้มันอยู่ในกรอบอย่าพูดให้มันติดกรอบไปพอพอที่จะฟังรู้เรื่อง่พัดสูดพระวินัยแล้วก็พระพิธรรมพระิธรรมพูดถึงเรื่จิตเรื่องจิตพอจิตมันเร็วจิตมันบังคับพวกนี้ ดังนั้นอยางพระสูตรพระวินัยสองปีดกนี่ <ฮะ S 1> เท่ากับพิธำปีดกเดียวต <ฮะ S 1> ก, ก, กลู่กัน้นเรื่องนี้นะพระสูตรสี่หืสองพันพระวิร 4, 22, 000, พระวินัยสี่มืนพันทั้งหมดนี่เป็นหลงไปพระสูตรสองมืหนึ่งพันพระวินัยสองมืสองมหนึ่งพันรวมเป็นสี่มืนสองพันสองปีดกนี้ส่วนพระอภิธรรมปีดกเดียวเป็น4ี่หืสองันรวมเป็น8ดมืนสี่พันปดมืสี่พันก็ไม่มีแล้ว แปดหมื่นสี่พันเขาบอมีพระโสดาพาสกีขาขาวพรนี้ค่ะเนื้อโสดามักโสดาปุ่นไปปุ่นเลยมันก็มึดไปนาอันนี้คําพูดนั่ น, น, นเราเราจะไปกินข้าวข้าวเปลือกมันไม่ดตีต้องกินข้าสุกฉะนั้นนะ่สะสเก็ตต้องให้คนไม่รู้กินเหมือนนั่งกินปลาเนี่ยก้างเราจะกินทําไมเอาให้แมวกินชเข้าใจไหมถ้าก้างนั้นเราคนกินก้างก็เป็นหมาเป็นแมวนี มันต้องกล้างเราให้ต้องให้ใหมาให้แมวกินคนต้องกินเนื้อมันดังนั้นการทําบุญต้อเหมือนกันคนง้อมันต้องกินไปทางก้างทางนั่นไปบัดนี้เราเป็นมนุษย์จะไปกินก้างกินเต็เนื้อมันเอาเต็เนื้อมันทีเดียวอันนั้นอันอันหมาอั น, อ น, อนมแมวนะก็ไ ห, หมาเธอมันไม่รู้ภาษาอันคนทําบุญไม่รู้ภาษามากินไปทุกสิ่งทุกอย่างนะมา ก, กินไปเหมือนกับหมากับแมวกินก้างคนกินเนื้อมันเอาโยนก้างให้หมาให้แมวกินแมวก็กินไปอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันคนโง่ต้องทําไปโดยไม่รู้สึกไม่ใช่พูดถ้าคนนั้นคน น, นี้นะเนี่ยสมมุติว่าเนี่อันนี้เราต้องเป็นมนุษย์เนี่ยอยากไปทาอย่างแบบโง่โง่หลงหลงหเราต้องเข้าใจอย่างนี้การทําบุญต้องเลือกคัดจัดเอาที่เป็นเป็นเนื้อจริงๆแล้วก็บุญนี่แปลว่าไม่ทุกแต่ไม่ทุกโดยเสืออยากไปโกรคนนั้นไม่ทุกโกรคนนี้นไม่ทุกไม่ใช่บุญอย่างนั้นคือบุญนั้นอยู่โดยคนปกติไม่มีทุกุศลจึงอยู่โดยคนสลา ปารามีเขาปาระเาจะพร้อมแล้วมีแล้วที่จะทําให้เรารู้ได้เท่าทันไดเพราะการเจริญสติพระพุทธเจ้าทั้งสอนอย่างนี้เว่าทําทั้งหมดมันรวมอยู่กับการเจริญสติอันเดียวอย่างที่อาจารย์มาพูดว่าทาที่มีอุ ป, ปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคุมลันลึกได้เป็นบ่อันคมลันลึกได้กับคุมรู้ตัวอันเดียวกันใม่รับเ<อ>นี่ยรู่นอันเดียวนลันลึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดอาจารย์ให้รันลึกได้ก่อนทําอีกตัวหนึ่งก่อนพูดอีกตัวหนึง่งก่อนคิดอีกตัวหนึ่ง อันนี้อันนี้เป็นเป็นแกนแทบนะฉะนั้นอันนี้มีอุปกรณ์มานในสามารถที่ให้เขาเป็นพระรหันก็ได้นนสามารถให้เขาให้เขาเป็นอย่างก็ได้ให้ได้ไปอนว่ามีคามาหมายถึงเอาเงินไปซื้อร้อยล้านถ่นล้านก็ได้อันนี้บราไม่หาทําบุญนะมันเรื่องขอโอ้ยัาต ม, มาให้ทําบุญครับมัไม่ใช่ไปหาจับผิดทางส ก, กุลบุได้อันหนึ่งบุญนั้นจะมายองแล้วว่าดีเป็นบอกโยมได้ยินเป็ น, นบอกว่างไงครับอาตมาว่าทําบุญได้ดีแล้วเปนบอก มันบุได้ห้ามไห่ทำไม่ทำบุญเน๊ะนุยมเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าอัตมาจะห้ามมันคนจับผิดได้ขนลอยอย่างนี้นยุยมเข้าใจบอกคำพูดเนี่แล้วมันเข้าใจบ่ได้จะหาว่าหลวงพ่อเนี่ยห้ามบอให้ทำบุญทำทานมันจะจะเข้าใจง่าย น, นะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอัตมาบอกว่าการทำบุญดันดีอยู่แล้วเห็นไหมครับเอบอแต่ว่ามันไม่ดได้มันบ่ได้มีอันนี้คือมีอันนี้แล้วกับการทำบุญก็ได้ว่างซี้ไม่เดียวก็สิบว่าโอ้ยท่านพูดว่า ทำกันถิ่นโมดได้ต้องมีประโยชน์ทางบัญชีทหาว่านซะนทุกคนได้เวาอยู่นี่จะไปหาเข้าใจผิดกันซันบมได้เนี่ยมีกระทาไปบ่มีก็เป็นเรื่องอนันต์แต่ว่าอัตมาพยายามพูดได้อยากให้คนเนี่ยบ่มีทุกข์ทอนนี้ที่ซื้ออันบ่มีทุกข์ในชีวิตไม่หยังมันอันบ่มีทุกข์ในชีวิตยังใครบ่มีทุกข์ในชีวิเป็นยัง คัว่ามันม <Flow> ีทุกข์แวป็นยังไงครับนว่าบ่มีทุกข์แล้วจะเป็นอไรู้กเป็นย่งไงเวลาไม่มีทุกข์บ่มีว่ารู้สึกว่าสบายใจสบายใจสบายใจนี่คิว่าเป็นเมียมั้ยคิดว่าเป็นสวรรค์ก็ได้ไหมมั้ได้ครับเนี่ยคิดว่าเป็นสวรรค์ก็ได้คิว่านิพพานก็ได้บนนี้เพราะคิไปเอาสวรรค์นิพพานจะได้บนนี้มันกระอ้อนว่มีทุกข์นี่ติบนี้และโยมทาบุญกับอยากบ่อยากมีทุกข์อันนี้เป็นบ่และมันหมดบ่แล้วอันนั้นเนี่ยมัน เมมีทุกต่างหาได้เ้าอยู่นี่เนยพอพอที่จะเข้าใจบนทาบุญทางทานไ้เบานี้มันไม่สามารถที่จะคด้อมทุกได้ไม่สามารถดับทุกได้ทมาสามสบปียังโกรธอยู่อีกทำมันทำมันมันมันดับไม่ได้ก็าในเจริญสติมันนี้เ็อันนี้มันจะดับทุกได้สิีนี้เนดับได้นคือเราสามิตี มีชาติอยู่เรื่อยๆอันนี้มันก็หลับทุกได้จรินั่นเนี่ยแล้วอันนั่นกับอันนี้กัอันนี้มันดีกว่าอันนั้นเม่นบ่ว่มันดีกว่าว่าดีกว่าทางบุมไหมดีกว่าอืแต่วกันยังยังทําไปได้นั่นก็ทําไปได้เม่นบ่อันนั้นเขาเรียกว่าสังคมก็ทำไปได้ทำต่อไปได้ฐานะสังคมถ้าเรายุ่กับสังคมไม่ทำกับสังคมกับคนนั้นไม่ดีเพราะว่าคือมันจะตกค่า โรกะวะชะคำว่าโลกะวะชะนี่คือว่าเขาว่าโลกเขาตำหนิรโรคเขาตำหนิเขาเรียกว่าอาบัตเนี่ยอาบัตเนี่ยก็มันก็แย่งไปหลายอาบัตไม่ใช่ว่าสปตาอาปฏิโยโลเชบิปกอาบัตทุกทัพเป็นโบแมนน์นอาบัตแปลว่าโลกตีเตียนครับมึงเคยได้บวชบะเคยเคยโปงอาบัตปะเคยแล้วแล้วก็มีคนหมายอย่างไรเนาะบอว่าไอ้ที่เขาว่าอะไร ให้ความผิดที่ท่าแรับไว้ม่นควรจะทำต่อควระวังังวรไว้สัปตาอาปฏิโยเมนบวชสัปตาอาปิโยโลเจมิสภารคุกาปฏิโยโลยมสาทุอหังปันเตสภนนนาุกาตาปิโยปสิงตตุมลปิเซเซมิมนบวว่าปวงอาบัตเมีนบวชเมีนบวผมผมผมจำไม่ได้ครับเข้าใจแล้วแต่ว่าเรื่องมันเรื่องปวงอาบัตมันไม่ใช่กี่ปมงคือว่ารู้จากว่าผิดแล้ว ต้องระวังคำรวมยังไปทำยังไปทำนั่นเองขณะนี้ยังไปทำอยู่กับอบากระบตกกรปติโยของท่านโบสาวเจริญมันนี่คำตีเตียนนี่คือว่าโลกวันชะไปทําอยู่มันปรุว่าบาปไม่ตกอะไรไม่ตกเป็นโลกวันชะเดียสมมุติอย่างนี้ก็ได้โยมสมมุติโยมจริงเข้าเฮ็ดไม่เข้าหกแล้วมันหลนไปนะแล้วโยมไม่เศร้าเมื่อเข้ากาหลนอยู่อย่างนั้นบมื่เศานี่ยมันจะหมดทำไมเสมมติได้เนี่ ถ้าโยมจินวันนี้ก็ใ ห, ไ ห, ไ ห, ไห้ไม่เข้าหกไม่เข้าหล่นอยู่พรุ่งนี้ก็จินยังไม่ให้ไม่เข้าหกเข้าหล่นอยู่นั่นก็จะตกมันก็นจะแบบวันนี้ตกสองเม็ดพรุ่งนี้ไม่ตกตกเม็ดเดียวครพยายามไมหมวันนี้ก็เลยไม่เข้าก็เลยไม่หกไม่ตกวันนี้คำมันตกมันหกมันนี่เขาเรียพยายามเก็บเนี่เขาว่าเป็นการสังวรระวังโอ้โ อ, องให้มันความเี่มันน้อยลงออให้มันน้อยลงอันนี้เขาว่าหมดอาบัตคือไม่ต้องปรงก็ได้อันนั้นเป็นคําพูด ผมไม่เข้าใจนะแล้วก็ผมก็เมื่อเวลาศึกษาน้อยเพราะผมบวชอยู่สิบสอวันเองงั้นสิบ12วันก็ดีแล้วดีกว่าคนที่ไม่ได้บวชนะคนบางคนยังไม่ได้บวชจากวันก็มีนะครับจริงคนดีกว่าไม่ได้บวชไม่พยายามศึกษาก็ใช้ได้ผมว่าเอาบวชวันนี้นะบวชคือมันบ้างเลยบวชนี่แปลว่าอะไรผมก็ไม่ทราบแน่เนี่สิเหละาันมันบวชนี่เอาโดยโยมเคยเขียนหนังสือเป็นไหม เป็นนะบวชนี่เขาเทศยังไงเขาสมาชิกไม่ทราบมีตัวอะไรบ้าบ่อไม้ไม้บ่อแหวนท่อชักทําไมย่งไม่อัดอดสะกดเป็นไหมอ๋ออย่านี้ผมไมอ๋อแล้วมันบวชอีกอย่างออืถ้ามันเดือดใช่ไหมเนี่ยกณะบวชเนี่ยการอาดอดเด็กไปสะกดเป็นเป็นเป็นยังไมันมันไม่มันอมันมเดือดใช่ไหมบัตรีบวชอัดสร้างไปสะกดเป็นเป็นเพราะเรื่องอะไร นี่ผมไม่ชอบเลนี่อันนี้หตัวนังสือมันสลับซับซ้อนตัวของตัวจริงจริงนี่แล้วมันสลับซับซ้อนนี่มันภาบาลีใช่ไหมเออมต้องหาเรื่องมันมาเม็ด